บ <Book> <40 S 3> ุกทูสี่สิบกวาดการสอบถามทางเดมันดีพรีลาโวยขอโทษค่ะพาดอนุมินช่วยดิฉันทีได้ไหมคะชูวิปปะวัสเฮลป์มิน แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะค เ, เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ ะ, งงะ ต, ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะ ต, ต, ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ E คุณสามารถไปด้วยรถเมยก็ได้คุคุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้คคุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะคีเอลมีอัติณกูละฟุตบอลสแตดิออนนนข้ามสะพานไปค่ะ Transira Ponton ล, ลอดอุโมงไปค่ะ Traveturu l a t u n e l o n ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะตต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปโพซขอโทษค่ะ ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะพาร์โดโนมินคีย์นีอัติงหูลฟลุกฮาเวร์นันวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดิน Playbona Estas, Seripenaslametron ออกที่สถานีสุดท้าย Simple Ventura, Gisla Lasdahalteo